ช่วงนี้มีข่าวครูบาอาจารย์สิ้นไปอีกรูปหนึ่งเมื่อวานเมื่อวานตอนเช้ามืดใกล้ๆตีห้าหลวงพ่อคำเขียนรู้จักไหมหลวงพ่อคำเขียนบรณรภาพจริงอยากจะใช้คาว่าละสังขารก็ได้นอะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัว ถ้าใช้ศัพท์เป็นทางการก็คือมลณภาพก็สิ้นครูบาอาจารย์ไปอีกรูปหนึ่งท่านป่วยเป็นมะเร็งเจาะคอแล้วทำให้พูดไม่ได้แต่ท่านก็อาศัยเขียนสมชื่อท่านนะเืพ่อคำเขียนแนละ้วก็เขียนเขียนฝากลูกศิษย์ บางทีท่านก็บอกว่าบอกลูกศิษย์ว่าอยู่ได้อีกไม่นานนะนะขันห้านี้อยู่ได้อีกไม่นานแต่ความเป็นกัลยาณมิตรอยู่ตลอดไปดูสิกัลยาณมิตรที่ท่านแสดงเอาไว้เนี่ย ธรรมะที่ท่านบรรลุแล้วแล้วท่านแสดงต่อสั่งสอนมาอันนั้นเป็นกัลยาณมิตรสืบต่อไปเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าปารินิพานแล้วธรรมะของพระองค์ก็ยังเป็นกัลยาณมิตรของชาวพุทธทุกคน ท, กทุกท่านหลวงพ่อคำเขียนจากลูกศิษย์ไปคำสอนของท่าน ปฏิปทาของท่านที่ได้ฝากเอาไว้นะก็เป็นกรยานามิตรสำหรับลูกศิษย์ลูกหาหรือแม้แต่คนในรุ่นต่อๆไปรุ่นหลังที่มาศึกษาปฏิปทาของท่านศึกษาคำสอนของท่านก็ขอใช้โอกาสตรงนี้แจ้งข่าวก็ขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์ ทำใดที่ท่านได้บรรลุแล้วขอขอให้พวกเราทน่ที่นี้ได้บรรลุตามท่านด้วย